มาพอได้เฉยๆไปประพฤติผิดในกรรมได้อย่างนี้ก็เห็นว่าดีอย่างเงี้ยเพราะการประพฤติในทางกรรมมันมวนมันสนุกในทางโลกือเห็นว่าการประพฤตินในทางกรรมเป็นของดีอย่างเงี้ทงยทั้งเจ้ามันไม่ดีผิดศีลด้วยก็ตาเม้นั่นน่ะก็ อ, อาภูมินั่นน่ะแต่ยังเห็นเป็นของดีเนี่ยมันเห็นเป็นของดีอย่างนั้ น, น, นเลยทีนเนี่ยก็เรียกว่ามันเห็นผิดจากหลักของศีลเห็นไม่ตรงตอหลักของศีลเอก็อต้องไปทําอย่างนั้นเน่อย่างเงี้ย เห็นว่าการพูดปดดีอย่างเนี้ยพูดปดมันไม่ดีผิดหลักของศิลด้วยก็เห็นว่าไปของดีเน่พูดปดขี้ดุหลอกลวงเขาของเงินทองเขาได้โอ้โดีโอเคใจนั่นแหละเขาไปจุอมก็ได้ดูเงินเนี่ยนั่นะจุเ อ, โอโาโบได้ก็ได้ของเนี่ยพูดปดหลอกลวงเขาอ้ยล่ารวยเออข้าขายปดเขาหลอกลวงเขาขี้ดุเขาได้ามาได็กกำไรงมึงมากโอ้โดีนี่แต่มาได้พิจารณาถึงหลักของศิล ว่ามันผิดหลักของศีลไหมถ้าผิดหลักของศีลจะเป็นบาปไหมอ่เนี่ยไทยเรยีบบําบาปเป็นของดีเห็นว่าการพูดปดเป็นของดีแล้วคูนั้นปลัก ก, ลการพูดบทไม่ได้พูดปดเป็นคำชั่วกำไม่ดีที่แล้วย้อนกลับมาดูทีถ้าเขามาักบทเอาข้อของเงินทอเราเป็นยังไรชอบไหมมีเทำไมเขาจะมาปดเอามดมาจีดุกหลงรองเอามดดีไหมถ้าย้อนกลับมาอีกเราไปเห็นง่ายๆอันนี้ตลอดปัญญาที่ย้อนกลับเขามาหาตัวเองมาเห็นต้ น, น แต่คนเราบักจะไม่เห็นตนแต่ว่าพูดบทหลอกลวงขอกของเงินทองคนอื่นได้แบบดีอกดีใจนี่มาได้ย้อนเข้ามาหาตัวอย่างนี้เออมันก็เลยไม่เห็นโทษของมันก็เลยเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของดีแม้ว่าทําสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ไม่ดีก็เห็นเป็นของดีเออเนี่ยท่านว่าเห็นผิดจะความเป็นจริงเห็นไม่ตรงเออมันชั่วเขายังเห็นว่าดีน่ะนะมันจะตรงอย่างไรลองพิจารณาดูสิอ่าว่าจะเออพูดบทน่ะเป็นของชั่วของไม่ดีเป็นวัจจิทุจริจก็เห็นว่าเป็นของดีนั่น ของไม่ดีเห็นว่าดีอ่พูดสอเสียลเจ้าองเขาให้แตกเล่าจากกันอย่างเนี้ยมันไม่ดีก็เห็นว่าเป็นของดียังทาอยู่พูดอยู่เนี้ยพูดพอเจอเลื่องไร้สาระประโยชน์อย่างเนี้ยอ่าเป็นของไม่ดีก็เห็นว่าเป็นของดียังพูดอยู่ทาอยู่อย่างเนี้ยอ่าพูดคำหยาบไพ่ไร้กาศมีดาต่างๆอย่างเนี้ยอ่ามันเป็นของไม่ดีก็เห็นว่าเป็นของดียังพูดดูอย่างเนี้ยอันนี้จะเรียกว่าเห็นตรงไหมไม่ตรงเนี่ย ต้องให้เห็นตรงถูกต้องตามความเปจริงทิ่งใดเป็นวาจีทุจริตก็ต้องเห็นว่าเป็นวาจีทุจริตมันเป็นบาปบกุศลนะไม่ให้เกิดผลเ่องความทุกข์แก ต, ตนเองและบุคคลผู้อื่นเออเราเลิกละเทออียพูดตรงกันข้ามอวาจีสุจริตตรงกันข้ามอย่างเนี้ย่มีความเห็นตรงอย่างเนี้ยเมื่อเราทออํา่นำถูกต้องตามหลักของวั จ, ออจีสุวัจีสุจริตทีนี้บุญกุศลมันก็เกิดขึ้น ถ้าว่าเห็นว่ากิจสุดริตเป็นดีอยู่พอใจในการทําอยู่ที่นั่นก็จะจะต้องได้รับบาปอกุศล น, นี่เลยว่าเห็นชั่วเป็นดีผิดหลักของศิลป์อย่างเนี้ยเอาอยัางคนเจียเห็นกินเหล้าเป็นของดีนั่นถ้าถ้าว่ากินเหล้ามันไม่ดีผิดศิลข้อสุรานะนะั่นน่ะมันผิดศิลมันจะดีอย่างไรผิดศิลป์ น, นะนะั่ะคนที่ไม่มีศิลปะอ่ะไม่มีศิลป์เพืประดับจะเรียกาเป็นคนคนละเมืองดีได้ไหมไม่ได้ถ้าจะพูดสําหลักของทำเลยหลักของศิลทําำเลยไม่ได้ เป็นคนดีไม่ได้คนดีต้องมีศีลสึกขังวัดกันไหวอย่างนั้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะเป็นคนดีไปได้ไหมไปกินเหล้าเอาอ ถ, ถ้าพูดตามหลักมาเลยเนี่ยการกินเหล้าเป็นคนไม่ดีถ้ากินเข้าไปแล้วมันเมาเออบางทีเมาแบบบ้ า, บาเกิดกา ร, ะราทะเลาะวิวผิดเถียงกันเมามากเอาเออเกิดอ่าฆ่ากันตีกันยิงกันแทงกันตายอ่บางทีเอากินเหล้าเมาขับรถไปรถคว่ำตาย ไปชนเขาตายนั้นน่ะมันดีไหมน่ะอย่างนั้นมันไม่ดีการดื่มสุราไปเกิดความมึนเมาประมาททาให้เสียสติอารมณ์ทันไรนั่นมันเสียสติเวลาเมามากๆนั่นน่ะพูดแล้วพูดอีกพูดพังเสือบางทีก็พูดพลาดผิดไปหลายอย่างหลายประการเป็นวิจีทุจริตไปอีกอย่างเนี้ยเออนี่ต้องมีความเห็นตรงถ้าไม่เห็นตรงว่ามันเป็นของไม่ดีเป็นบาปและกุศลเราเนี่ยละมันไม่ได้ คนเคยกินเล้าก็จะกินอย่างนั้นแหละเพราะเห็นว่ามันดีกินเล้ามันดีกินเข้ามันลำ้ำอา่าอย่างเนี้ยเออถ้ากินน้าอย่างอื่นมันไม่ล้ําไปกินเข้านั่นแหะนะฮะอย่างนี้เออนี่จะต้องกินให้ถูกต้องตามกฎไปจริงถ้าเห็นชั่วเป็นชั่วเราที่จะได้ทำตนเองเราต้องการไม่ความชั่วก็ไม่ดีถ้าเราไม่ต้องการอย่าทํำดิเมื่อทําก็ต้องเลิกละเออถ้าเราคืนทําไป เ, เราก็จะเป็นคนไม่ดีเรื่อยไปนั่นแหละน่ะเนี่ย เป็นคนไม่มีศีลเป็นคนทุกศีลเออคำที่ว่าทุกกแปลว่าชั่วเราทําชั่วเราได้ชั่วเนะเนี่ยบางคนติดนิสัยตั้งแต่ว่าเป็นเด็กจนถึงเป็นคนเฒ่าคนแก่หงอกหัวขาวเหล้วละกันกินเล่าไม่ได้เออก็ไม่อายไม่ได้พิจนาตรวจตองไม่ทําคุณเห็นให้ตรงถูกต้องตามควาเป็นจริงวราการทําอย่างนั้นอ่ะมันเป็นบาปหรือเป็นบุญทาที่ตัวเองต้องการบุญแต่ไปทําบาปอืมไปเห็นว่าบาปเป็นของดีเสียพอใจในการทําเลยตัวนี่โอย ศิลทําคําสอนผู้ได้เจ้านะั้นแหะจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปยในตนของตนได้อย่างไรนี่ความเห็นจากเห็นผิดจากหักของศิลเห็นไม่ตรงะในข้อต่อไปดูข้อวิการาโพวิการโการโพเนี่ยมันห้ามให้กินข้าวแรงทําไมพราะผู้ได้เจ้าจึงห้ามไม่ให้กินข้าวแรงมันมีโทษมันมีโทษอย่างไรถ้าผู้มุ่งหวังการทําสมาธิหรือการเจริญปัญนาหรือผู้มุ่งหวังการบรรเทากิเลสให้ลดน้อยถอยเบาบางลงไปไนะั่นแหะท่านว่าให้กินน้อย เออให้กินน้อยนอ น, น้อยเออเนี่ยในข้อโพชเนมาตันโยตาท่านเยู่ให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือใหญ่มันมากเกินไปหรือว่าใหญ่หน้อยเกินไปเออเนี่ยอย่างหนึ่งถ้าว่ากิเลสมันจะมีกำลังก้าอยู่ก็ให้มันน้อยได้ดีเออกิเลสมันจะได้น้อยลงด้วยแต่ว่ากินมากมกิเลสมันก็มากเอออย่างว่าเอาไปกินสองเตือ่อสามเตือ่อดูดีกิเลสมันก็เต็มที่จะไปละมันอย่างไงแต่เพียงว่าอันตรายของศีลก็ยังละไม่ได้แล้ว เออการทำสมาธิดูการเจริปั ส, สนาวะดูจริง ท, ที่มันจะเป็นอันตรายของสมาธิปัสสามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งมีกำลังแก่กายแข็งไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลได้เพราะอะไรเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ของไส้เล้วมรรคตนเนี่ยเมื่อคนเราเห็นว่าการกินข้าแรงเป็นของดีก็จะถ่อ ง, อ, งองพอใจอยการกินข้าวแรงนั้นเรื่องรัะไม่ไดออ้ถ้าไม่ได้กินข้าวแรงกลัวเป็นลมกลัวเป็นนั่นเป็นนี่เออว่าไป น, น่นแต่ไม่กลัวบาสนะความเห็นมันห่า เห็นมันพค้าเลี่ยมกันหน่อยเดียวท่านนั้นแหละเออเห็นว่าการกินข้าวแลงมันดีเห็นว่าการงดเว้นจากการกินข้าวแรงไม่ดีนั่นน่ะมันจะเป็นลมเออแต่ไม่กัวบาปไม่กลัวจะเป็นบาปไปกินข้าวแรงนั่นน่ะเออจะผิดศีลข้อวิการาโพเราเกิดมาเป็นคนควรจะได้ศีลควรจะมีศีลไปเกรื่อประดับควรจะสร้างศีลบารมีของตัวให้แก่กาแข็งแข็งถ้าเราไม่ทำออกใครจะทําให้เอเอเบืเอ่อเราไม่ทํามันก็ไม่ได้นั่นแหละ เออเพราะอะไรเพราะเราไม่ทําไม่ปฏิบัติตามหลักศีลทำคําสอนพู้เดียเจ้าแล้วทีนี้เออเราจะมีศีลเป็นประดับอย่างไรเนี่ยเนี่ยท่านจอมพิจารณาให้มันเห็นตรงเอเอเพื่อจะได้กลับเพื่อจะได้กลับถ้าเห็นว่าการกินข้าวแรงผิดศีลแล้วเนี่ยเราต้องการมีศีลก็ต้องเลิกละเท่านี้แหละเอออ่าถ้าถ้าเห็นว่าเป็นของดีอยู่ตาบใจที่เนี่ยละไม่ได้เออ ไปถือมันในการกินทำไมได้กินเน่ยกลัวเป็นอย่างนั้นกลัวเป็นอย่างนี้โอ้ได้กินมันลํากินแล้วนอนรับดี่กินแล้วก็อ้วนพีดีงามมีกําลังบางชาแข็งแรงตลอดถึงว่าจนบวชเข้ามาแล้วยังตอกกินข้าวแรงอยู่ดูสิบวชเป็นพระเป็นเนรยังตอกกินข้าวแรงอยู่ทําไมเป็นอย่างนั้นสินข้อนี้ทําไมไม่ดูไม่พอไม่พิจารณาเมื่อรับมาแล้วตนรสมาทานมาแล้วติเราไม่รักษาจริจะเกิดประโยชน์อะไรเราไม่ปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้สินไม่มีสิน ไม่เป็นสูปฏิปันโนจะเป็นคนปฏิบัติดีตามหลักของชิ้นธรรมเป็นไปไม่ได้อทีนี้พูดถึงว่าการปฏิบัติเนี่ยเอก็ไม่ว่าจะเพียงว่าเป็นนักบวช เ, เป็นคราวัตญาตโยมทําได้ทางนั้นเใครทําำได้คนก็ดีทางนั้น เ, เพราะสินนั้นเป็นข้อปฏิบัติของคนดีเออใครมีสินดีทางนั้นถ้าไม่มีสินล่วงละเมิดสินได้แล้วเป็นคนไม่ดเีเป็นคนเปล่าเป็นคนทุสินอ่นี่นี่เจะพิจารณาตรวจสองให้เห็น เห็นถูกต้องตาความเป็นจริงมันจึงจะกลับได้ต่อเห็นว่าการล่วงละเมิดสินนั้เป็นของชั่วเขาไปดีเห็นว่าการมีสินเป็นของดีเนี่ยมันก็มีความเห็ความเห็นพลิกกันกับเท่านี้แหละเรื่องการทำความเห็นให้ตรงนั่นน่ะเออการทำความเห็นให้ตรงเห็นว่าการล่วงละเมิดสินนั้เป็นบาปเห็นว่าการมดเปื้นสิ้ได้น่ะมันเป็นบุญเออเมื่อเราต้องการบุญก็ต้องทำการพดเปื้นเลิกละเราทำได้เป็นเนืองนิดเีเราก็ได้บุญเป็นเนืองนิดเออแต่ทำได้เป็นวันๆก็ได้บุญเป็นวัน แต่ทำมาเราต้องการบุญทุกวันก่อนทำไปเรื่อยๆทำบุญขร้รลอยมันแก่กล้าแข็งๆเราทำเอานะใครทำให้ไม่ได้เราต้องทำ <Hey. S 1> เนี่ยในข้อต่อไปดูสิเนี่ยเอาถ้าเห็นว่าการดูการฟังฝรล่งข้อร้องขบประคมดนตรีดีที่เป่านะเป็นของดีเห็นว่ามันม่วนที่แมันสนุกเป็นของเจ๋อเล่าเริงบรรเทิงเออทาให้คิตใจน่ะนะเออชุ่มชื่นเบิกบานาสนุกสนานดีถ้ามีความเห็นอย่างนั้นเกิดความพอใจในสิ่งนั้นเพราะเห็นว่าการทำอย่างนั้นมันดี เลือกละไม่ได้อันนี้เราเห็นปิดจากหลักของศิลไม่ได้เห็นว่าคำที่ว่าขอนัตจตีมาลานั้นห้ามอะไรเอา้าไม่รู้ไปฟังฟอ้องร่อง ข, องขบประมดนตีดิสติเป่าและประดับประดา ต, ตกแต่งร่างก า, กายโดยดอกไม้ของหองมขีอ้ออมธาตนต่างอันนี้เป็นขอ้อศิลที่นีบนบุคคที่มีศิลป์จบอกดีเออข้อปฏิบัติดีเมื่อเราต้องการเป็นคนดีต้องมีศิลถ้าไปลบมละเบิดศลจะเล่าศินเนี่ยจะดีได้ไมถ้าไปเห็นว่าการทำอย่างนั้นมันดีเลยทีเนี่ย เห็นว่การทำอย่างนั้นมันดีสีเห็นว่าการรักษาศีนไม่ดีทีนี้ศีนก็ไปไม่ได้ศีนก็ไม่เจริญแก่ก้าเยิ่งแข็งขึ้นเพราะมีความศีนไม่ตรงศีนผิดเห็นผิดจะควริงเศ็นสิ่งทีไม่ดีเป็นดีเสียนั่นอันนี้คนเราติดแนมมันติดแนมเพราะอะไรเพราะเป็นเครื่องหลอกลวงยวดยวนจิตใจเจนว่าจิตใจมีความดีติดอยู่ตึงตาแล้วก็ถือมั่นอีกด้วยท่านบอกให้เลิกแล้วที่ักไม่ได้รัจะได้มันมวดวันได้พอมันจะม่วนกงวันได้ฟังมันจะม่วนไง เนี่ยเสียงกันอยู่อย่างเนี่ยเพราะไม่ได้พิจารณาเทียบลงในหลักธรรมคาสอนปุถุเจ้าว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยผิดหลักของจินิพนธ์ทำไหมเราต้องการเป็นคนมีสินมีธรรมไหมต้องการเป็นคนดีหรือต้องการเป็นคนไม่ดีเออเนี่ยไม่ได้พิจารณาไปในตน ข, ของตนเองถ้าบริพิจารณาอย่างนั้นทีเนี่ยมันก็กลับปรุงแก้ไขตัวเองไม่ได้ก็เรียมีความเห็นผิดเห็นไม่ตรงเห็นสิ่งที่ชวเป็นดีไปซะแล้วเออเขเลยไปจับมั่นอยู่ในความชั่วก็ไม่ดีละหมดได้ เนี่ยความชั่วกรไปดีก็เลยฝังเอออ่าฝังต่อไปถือมั่นในกรรมชั่วกรรมไม่ดีจ่วาต้องตายไปต้องไปตกนรกอ่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถือมั่นในกรรมชั่วกรรมไม่ดีเลิกละไม่ได้นัในข้อต่อไปเรื่การประประดาตกแต่งร่างกายเห็นว่าการประปราดาตกแต่งร่างกายดูดอกไม้รื่องของขวัทางสังัมดีถ้าไม่ได้ประับประดาไม่ได้ประดประดามันจะดียังไงมันบูสวยมันบงงามเออถ้าบัวดีเอ๋บัวดีย่อมพี่น้องจะดูแฟนเมืองเหนือว่ะ นั่นแหละแต่ว่าคำที่ว่าเอย่องนั้นนะเออประดับประดาทุ๊กแจกร่า ง, งกายนั้นนะอ่ามันจะผิดหลักของศิลธรรมไหมไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ก็เลยไม่ลูกก็เคยเงลูกเคยทําลูกเคยประดับประดาลูกเคยเย็บก็ยย่องลูกอ่าก็ต้องเอาอย่างนี้เออผมบ่งงอก็ต้องไปจ้างเขาเออดัดเขา้าเออหน้ามันบ่ ง, งก็ไปจ้างเขาแต่งปากมันบ่แดงก็ซื่อชาติมาทามันหน้าบองเขาก็ซื่อแท่งมาโทเอออย่างเนี้ย อ, อ่ เครื่องแต่งตัวพระนรปดาร่างกายต่างๆหนา้าเนานาฬิกาบ้างสร้อยบ้างแว่นตาบ้างรองเท้าบ้างผ้าทีต่างๆเนี่ยเครื่องพระนรปดาตกแต่งร่างกายอร่างกายมันเม็ดกุยเม็ดขาวเอาน้าหอมหน้ำอบมาพาะเขา้าเออให้มันหอมอย่ามันเม็นกุยเม็นขาวเนี่ยเวลาไปใกล้คนนั้นคนนี้เออก็อมีกลิ่นหอม อ, อ่าซึ่งเป็นเครื่องยั่วยวนจิตใจเออนี่ยให้เกิดความยินดีดึงดูด อ, อ่าอย่างนี้ นี่เหีว่าการที่ยงประดับประดาตกแต่งร่างกายกกเพื่อขบโก้ปวดเพื่อต้องการความสวยความงามเนี่หมายว่ามุม่มงความสวยความงามในด้านเครื่องประดับประดาตกแต่งแต่ไม่มุ่งหวังความสวยความงามในด้านศิลธรรมอ่าเี่เราทําอย่างนี้จะ่ผิดหลักของศิลธรรมไหมผิดหลักของศิลข้อใดไม่ได้พิจา ร, รณาอ่เรื่องศิลไม่ได้พิจารณาเรื่องความเห็นน่ะเห็นถูกหรือผิดน่ะไม่ได้พิจารณาก็เลยไม่รู้จักเพราะเคยเนีคยทำอย่างนี้กับเนี้ยอย่างนี้แหละ ยี่อเขาขืนแย่างนี่ดูแม่เขาก็นแย่งอย่างนี้ดูคนเขาดิเขาขืนย่งอย่างนี้ทําอย่างนี้ดูกก เ, เ, ข เ, ดเขาก็จะทําอย่างนี้แหละฮะหมดทามันจะเป็นไปงามจะได้ไปสวยจะได้เน่ก็เลยไปจับมั่นถือบัน่นไม่ได้น้อมไปในหลักของศิลธรรมที่ถ้เกิดเป็นคนแทนที่จะมีศิลป์กับไม่มีเพราะอะไรเพราะมีความเห็นไม่ตรงอเห็นไปในหลักของศิลปนี่เนยก็ไปถือมัน่นต้องทําอย่างนั้นนี่เห็นไม่ตรงนี่เราจะพิจารณาว่าการเห็นตรงคืออย่างไรเห็นว่าสริงนี่มันผิดหลักของที่ทํามของงดเว้น ก็เป็นตรงกันข้ามนี่ทิ้นทำมันจึงจะมีขึ้นนี่ในในข้อต่อไปเห็นว่าการนอนเสื่อยัดดสลสัมฤเป็นดีอันนี้คนเราต้องการความสุขความสบายในเรื่องของร่างกายว่าต้องการกินแล้วก็นอนวุ้นนอนสบายต้องนอนอเสือ่อยัดดุลนุ่ดเลยสลัมฤเวลานอนรับว่วนดีบางทีให้นอนไปนอนมาจะกินดีในสภาพทีเรียกรับการนอนเต็มกระน้องไปในคู่ตรงกันข้าม แต่ไม่ได้พิจาน่าวอุการนอนมั่วนอนสนุกเรี่ยก็เพียงร่างกายเท่านั้นเองแต่ทางจิตใจของเรานั้นน่ยจะเป็นอย่างไรมีคุนธรรมคือิีลเกิดขึ้นภายในดวงจิตดวงใจไหมใจเรามีเกตฑ์ในรตคิดกดเบ้นไหมถ้ามีใจอใจมีเกณฑ์ในรตคิดกดเป็นเนี่ยเพื่อในศีลข้อที่ฉันว่าอุจจาเนี่ยคืนว่าห้ามอห้ามให้นอนเสื่อจะโดนสำลีเพื่อเราจะได้มีศีลข้อนี้เกิดขึ้นเปนเรื่องประดับตายและเป็นกครระดับจิตใจของเราอีกด้วยเนี่ยคนเรามีศีลเป็นเรื่องระดับ มีสิทธิ์ไปที่นอนมีสิทไปที่อยู่มีศิทไปติพื่งมันก็ได้ความสุขสุขทั้งใจไม่หาไม่มองหาแต่ว่าสุขในทางกายอย่างเดียวถึงขนาดแม้ว่าเราไม่นอนอย่างนั้นทางกายมันก็อาจมีความสุขได้เราจะเปลี่ยนด้วยอุบายอย่างอื่นวิธีอย่างอื่นมันก็มีอ่าเนี่ยไม่ผิดหลักของสินรำแต่ความเห็นว่าเอออ่าความเห็นของคนเรามากกว่เห็นว่าอย่างนี้มันดีมันมวดมันสนุกเออพอใจะทําอย่างนั้นแหละผิดหลักของสินข้อใดมาเดีพิจรารณาเทียบกันอ่าก็เลยไม่เห็น นี่เขาเรียกว่าเห็นเห็นสิ่งที่ผิดเป็นถูกเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นดีก็ถือมากเนี่ยเดี๋ยวความเห็นไม่ตรงเห็นพินจหลักของสินรักษาสินในบริสุทธิ์ของสวยขึ้นไม่ได้ที่ในข้อต่อไปอย่างความเห็นเห็นว่าการสแสียค่าเงินทองเป็นของดีตามธรรมดาโลกเป็นอย่างนั้น เ, เงินทองนี่ว่าเป็นของใหญ่ของใหญ่ในโลก ใอย่างไรปรารถนาสิ่งใดก็ได้สําเร็จตามความประสงค์เมื่อมีเงินมีทองแล้วอยากใหญ่อยากโตเป็นเจ้าเป็นนายหรือมั่งมีทรัพย์ินกัของเงินทองอย่างอื่นมีเงินแล้วถึเนี้ยเอาจะซื้อทองก็ได้ซื้อแก้วแหวนเพชรพลอยก็ได้แจกตัดซื้อกิ่งต่างๆในโลกได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะมีเงินซื้อคนก็ได้ซื้อรถก็ได้ซื้อเรือก็ได้ซื้อเครื่องบินก็ได้ถ้ามีเงินนั่นอ่ะซื้ออะไรได้ทั้งนั้นนี่คนเราก็เห็นว่าเป็นของดีไอันนี้ถ้าพูดทางแง่โลกก็ดียอดดีในทางโก เออหลวกเขาต่องการอย่างนั้นมีความสุขอ่ามีความสุขอ่าเพราะมีเงินมีทองนั่นแหละที่เดี๋พูดว่าแต่เราจะพิจารณาเข้ามาในด้านหลักของศีลธรรมถ้ามีความยิดีติดอยู่ในเงินและทองนั่นอ่าวิ่กเต้นแสงหาอ่าเงินและทองนั้นอ่าเราไม่ได้พิจารณาคงแห่งศีลเนี่ยมันผิดหลักของศีลเนี่ยยินดีติดอยู่อ๋อยินดีในเงินและทองอยากไดเงินและทองที่หลักของศีลไม่ได้แสวงหาศีลแตียค่าจะเงิน เออสินนั่นคืออะไรนั่นไม่ได้พิจารณาทําไมท่านจึงท่านึงแนะนำสัสอยรักษาสินเห็นว่าสินเป็นของไม่ดีแล้วนเห็นจะหว่าการเสียหาเงละทองเป็นของดีเลยีนีเออจิตใจนั้นก็จะรักษาสินไม่ได้ก็จะมีความคิดดีในการเสียหางินแทองนั้นแหละมั่งมีล่ำวยเป็นศรีมหาเศรษฐีเอออย่างนี้จนบางคนดูสิเออมีเท่าไรก็ไม่พอมีร้อยยากมีพันมีพันมอยาหมื่นหมื่นอยากแสนแสนก็อยากล้านแต่ไม่ยังอยากเป็นเฮ้ยสล้านร้อยล้านนู่น พันล้านเลยไม่พอเนี่ยยิ่ง เ, เต้นสแสวงหาเรื่องเงินแรียกถอนนั่นเลยแต่ว่าไม่ได้นอกก็มาสิน น, ะน่ะไม่ได้สแสวงหาเลยเมื่อกิจใจตกไปตามนัดของความอยากไปถึถิที่ไหนทเยอทยานติดต้นอยู่แล้วเสิลืมสินซะแล้วสินส น, ส น, นึงคืออะไรไม่เห็นไม่เห็นผู้ที่ว่าเห็นสินตามความเป็นจริงมีกําลังแก่กล้าแข็งแกร่งความเห็นตัวเนี้ยเออในสมัยก่อนดูที่เป็นเศรษฐีมหาสารทันตละหลัออกมีภูเขาทอง มีุมเงินคุม้มองคุ้มแก้วมณีนะ่ะเอออย่างเนี้ยท่านเห็นเออเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นมาารคาธรรมเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เห็นศีลเป็นอริยทรัพย์ท่านเห็นอย่างนั้นเออท่านก็เลิกละได้เออสละออกบวชฟื้พุทธพโมจันจนได้บรรลุการหักบาตเทาาิดการตัดคิดตรงใจอันนี้เพราะอะไรเพราะท่านมีความเห็นตรงต่อศีลเพาลน่ะเป็นมาารคาธรรมเนินไปสู่พระนิพพานถา้าบุคคลไม่มีศีลแล้วที่ไปไม่ได้ นี่นี่ท่านยต้องทำกุ้งเห็นตรงท้าเห็นตรงต่อรักของศิลรักษาศิลไม่ได้คนเราเห็นว่าศิลไม่ดีเลยรักษาศิลปไม่ได้ที่ยเราจะมองเห็นได้ว่าเออมากมายก่ยฟองเออเห็นว่าศิลมันไม่ดีเห็นว่าการดวงระเบิดศิลป์เป็นของดีนั่นน่ะเพราเลยพอใจทำอยู่ท่านสอนนี่เลิกละทอนไปวางละบัวร้บรัวใดจับมัน่นนั่นอ่ะอุปาทานถือมัน่นเรี่าถือมั่นในกับอันเป็นบาปเพราะเห็นว่าบาปเป็นของดีนั่นน่ะมันไปจับผงเห็นตัวเนี้ย เห็นว่าบาปเป็นของดีเออก็เลยถือมั่นมันจนท่านสอนให้เลิกกละถอนไฟวางลัก็ได้นี่อันนี้ถ้าว่าความเห็นผิดความเห็นผิดเห็นไม่ตรงเห็นไม่ถูกต้องเราพิจารณาเทียบเทียบกันดูสิเออคนที่เห็นว่าฆ่าสัตว์เป็นของดีกับคนที่เห็นว่าการเลิกละการฆ่าสัตว์เป็นของของดีอย่างเนี้ยข้างนี้มันจะดีจริงๆข้างนี้มันจะถูกต้องตามความเป็นจริงน่ะฆ่าสัตว์ดีหรือว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีเราพิจารณาดูสิอันนี้มันดีจริงๆ ไม่ฆ่าสัตว์มันดีนะจะไปฆ่าสัตว์มันไม่ดีหรอกเขาให้เราย้อนกลับมาเนี่เขาถ้าว่าฆ่าสัตว์มันดีเขามาฆ่าเราดูทีดีไหมใครว่าดีเออาย้อนกลับมาอย่างนี้จะเห็นได้ง่ายๆแต่คนเรามักจะไม่ย้อนกลับมาเห็นว่าการฆ่าสัตว์อื่นได้มันดีฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่างูฆ่างอกราควอยเออเอามาต้มมาไปให้มาแกงมาปิ้งมาหลับมาคล้อยดีไม่ได้ย้อนกลับเขมาทายเขามาฆ่าเราดูสิ ให้เขาฆ่าเราไปลาบดูสิเขาฆ่าเราไปแกงดูสิฆ่าหาเขาฆ่าเราไปปิ้งดูสิให้เขาฆ่าเราไปอมดูสิมันจะเป็นอย่างไรอุ้ยถ้ากระยาดกลับก็ไม่เห็นว่าไม่ดีเสแล้วเขาจะมาฆ่าเรานั่นน่ะเนี่ยเราจะเห็นได้โอ๊กการฆ่าเนี่ยมันไม่ดีไอ้เขามาฆ่าเราก็ไม่ดีเราไปฆ่าเขาก็ไม่ดีเป็นบาปเป็นกุศลเป็นให้เกิดทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่พอใจของสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เราก็ไม่พอใจแล้วการฆ่าเราไปฆ่าเขาเขาจะพอใจอย่างไรไปฆ่าสัตว์สัตว์มันก็ไม่พอใจ เออแต่มันเออมันไม่สามารถที่ว่าจะต่อสู้มนุษย์ได้สัตว์บางจำพวกนั่นนะ่ะเออเนี่ยอย่างปลาอย่างเนี้ยอ่ามันหลบหลีกไม่ได้ถ้ามันลบหลีกได้มันก็หลีกเอ่มันหลบมันห ล, ลีกไ ม, ไม่ไม่พ้นมาเมื่อจำเป็นเออคนเราไปบดเนี่ยเอาเออตกเบ็ดเอาใส่ส่อนเอใส่ไส่เอาเนี่ยใส่ดังเอาอย่างเนี้ยอ่าบางคนเอาไปหะเอาไปวิทเอาอย่างเนี้ยเออมันหนีไม่ได้เออถ้ามันหนีได้มันก็หนีเออเนี่ย นีาพิจารณาตัวตองถ้านนจะทําคมเห็นให้ตรงถ้าเห็นตรงว่าการทําอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการและที่ก็จะได้เลิกละอย่าทำเลยการอย่างนั้นทํำกรรมชั่วกรรมไม่ดีเมื่อเราทํำกรรมชั่วกรรมดีเราจะรับผลชั่วผลไม่ดีกรรมที่เราทําลงไปนี่บางทีมันอาจจะไม่ผลแรงก้านในปัจจุบันก็อาจจะผลในอนาคตมึงน่าจะแก่กายทำลายขันบุคคลเราต้องไปตกตรกเพราะอะไรเพราะปานาติบาต์ไปไปตกตรกเพาะปาณาติบาต ตามประวัตินิทานที่เรื่อชี้เอาไว้คนนั้นอ่ะเออตายแล้วไปตกนรกเพราะอะไรฆ่าสัตว์ฆ่าัวตายแล้วไปตกนรกก็มีฆ่ามูตายไปตกนรกก็มีเออฆ่าป่าเนี่ยตายไปตกนรกก็มีอย่างนี้นี่ว่าการฆ่าสัตว์โทษของการฆ่าสัตว์ถ้าบุคคลเป็นได้ได้ได้เออไม่ฆ่ามีศีลคนมีศีลน่ะปรากฏว่ามีศีลมั่นคงแล้วเบื้องหน้าจะแต่กายทำบาปขันต้องเกิดในสวรรค์ไม่ปรากฏว่าไปตกนรกนี่อันนี้พออาราะอะไรศีลน่ะเป็นเครื่องนําไปสู่สุขติ อ่าสินเป็นของดีสินเป็นบุญเป็นเหตุจะเกิดผลก็ความตกต่างปัจจุบันและอนาคตต่างหน้าต่อไปนี่ท่านจึงว่าให้ให้พิจารณาความเห็นเทียบเคียงกันให้มาเห็นตรงถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเห็นชั่วเป็นชั่วเลยที่เนี้ยจะได้ถามเราเห็นบาปเป็นบาปเลยจะได้ถามเราใครเป็นผู้ทําเราทําใจใครลักเราต้องรักแต่เราไม่ลักก็ไม่มีทางที่จะ เนี่ยเนี่ยจิตใจมันจะเด็กลับตรงกันข้ามจะเด็ดประพฤติปฏิบัติตามหลักของศีลทําให้ศีลเนบริสุทธิ์ของใสขึ้นเอ่อศีลจะได้เป็นที่พึ่งแกตัวเองทางปัฏิบัติหนาคตที่เนี่ในความเห็นเนี่หลับต่อไปดูสิเนี่ยอ่าถ้าเราเห็นว่าศีลน่ะเป็นของดีแล้วสิรักษาศีลทำํำศีลให้มีขึ้นหรอมีทางจักทําสมาธิให้เจริญได้เออทำวิปัสนาให้เจริญได้เอออย่างเนี้ยเพราะศีลเนี่ยบริสุทธิ์ของใสขึ้นเออทำศีลให้มีขึ้นทางกายท า, าาทางใจของตอน นี่ในระดับต่อไปที่เราจะไพยายามทําสมาธิทําให้คิดใจของเรามันตรงมันตื้อมันตั้งมั่นเป็นสมาธินี่นี่ต้องนอมนึกถึงอารมณ์กรรมฐานที่พระเจ้าท่านทรงแนะ น, นำสั่งสอนเอาไว้เราต้องพิจารณาตรวจสองดูอารมณ์กรรมฐานอะไรควรแก่เราหรือยอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราจเจออนาปรสติกรรมฐานกําหนดลมให้เห็นตรงต่อลมตามความไปจริงเห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นลมสั้นเห็นลมยาเห็นลมดีเห็นลมชั่วเห็นลมหยาบเห็นลมเอียด เห็นจิตของเรามันกำหนดรู้อยู่ใจลมไหมมีสติเรื่องในภายในลมหาใจเขาออกไหมถ้าว่าจิตใจของเรามีสติในลึกในลมห้ยใจเขาออกรู้ลมหายใจเขาออกอยู่แล้วรู้แน่นิ่งจะไปไหนคำนี้ว่ารู้แน่นิ่จิตใจมันก็ตั้งมัน่นนี่เพราะอะไรเนี่ยจิตใจมันจึเป็นอย่างนั้นเพราะเห็นว่าการทําสมาธิดีทําสมาธินเป็นบุญเป็นกุศลทําสมาธิเป็นหนทางดาเนินไปสู่พระนิพพานอย่างเราพูดในเจ้าของเราถันดำเนินไปแล้วถันทรงรับรองเอาไว้แล้ว เนี่ยเราเห็นว่าเป็นของดีนั่ น, นที่เราจะได้พอใจในการทำอืมถ้าเห็นว่ามันไม่ดีเราทาไม่ได้เนอบางคนเห็นว่าทําสมาธิไม่ดีกลัวเป็นบ้าบางทีโอ้ทาไปทําไปที่เนี่ยจิตใจตัวอื่นมันเกิดขึ้นก็เห็นที่บอกโอ้ยเราทําสมาธิจิตใจก็ไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวมันก็หวันไว้ไปมาเดี๋ยวมัคิดตนนคิดนี้จิตใจวุ่นวี่วุ่นวายจิตใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราทําสมาธิหาจิตใจไม่ตั้งมั่นสักทีไปวา่ามันไม่ทําสมาธิจริงๆ เนื้อจะทำสมาธิจริงๆทำที่ว่าสมาธิก็แปลว่าอะไรแปลว่าความตั้งมั่นทำชี้แจ้ตั้งมั่นถ้าใจทำสมาธิจริงใจต้องตั้งมันมงงม่นงอกจาดกับมันจะไปทำนิวรนนั่นแหลจะใจจึงไม่ตั้งมัน่นเออทำนิวรนไม่ตั้งมัน่นนี่ทำไมจึงเอาไปทำนิวรนอย่างนั้นเพราะเห็นว่าการทำนิวรนเป็นของดีเนี่ย<า>เห็นของอเห็นของที่ไม่ดีเป็นของดีไปเสียนิวรนแปลว่าอะไรแปลว่าเครื่องกลางกันอามมาของตะมัดของกิจนั่นน่ะ ไปเห็นเครื่องตั้งกันความตั้งมั่ของจิตแล้วว่าเป็นของดีก็พอใจทํามันทีเนี้เมื่อพอใจทํามาแล้วทีเนี้ยจะให้จิตใจตั้งมั่นมันจะเป็นไปได้หรือมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคมเห็นไม่ตรงเห็นนิวรันเป็นดีเห็นสมาธิเป็นดีนั่นน่ะเดี๋ยว่มเห็นไม่ตรงใช่ไหมมาเห็นนิวรันดีทีเนี้ยพอใจในการทํานิวรันนิวรันมันมีกําลังแก่กล้าแข็งแกรงอยู่ภายในดวงจิตดวงใจที่มันก็กั้นกันความตั้งมั่นถ้าว่านิวรันเครื่องกั้นกัน ความตั้งมั่นของจิตไม่เป็นเอากรคตาลมไม่เป็นเอากรคตากิตไม่เป็นอัปปนาไม่เป็นอัปปนาชาไม่ไม่สามารถจะบรรลุชางได้ เ, เหมือนนิวรงกันแล้วทีนี้มันกัง ก, กันต็อมดตลอดทงว่าจะเป็นเครื่องกังกนขึ้นบรรลุวิมุตโนนเป็นลาดับลาดับไปนี่เราจะต้องพิจารณาตรวจปองคาที่ว่านิวรังคืออะไรกามชันนิวรเหมือนว่าต้องเห็นว่าอะไรเป็นกามชันนิวรังทำไมท่าจึงว่าการมชันนิวรเป็นเครื่องกังขันความตั้งมั่นของจิตการมาชันท คืออะไรความยินดีเออคมพอใจความยินดียินดีกับอะไรอ่าเดี๋ยวความยินดีในรูปนั่นยินดีในรูปต่างๆ่าก็กางกั้นความต่างมันของจิตยินดีเสียงต่างๆ่าก็กางกั้นความต่างมันของจิตยินดีในกินต่างๆก็กางกั้นความต่งมันของจิตยินดีในรถต่างตก็กางกั้นควบมต่างมันของจิตยินดีในรถต่างต่างก็กางกั้นความต่างมันของจิตยินดีในโทรพต่างต่างก็กางกันควมต่างมันของจิตยินดีในธรรมะลมรมะลนี่ก็เป็นเรื่องอดีตไปบ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่องปัจจุบันบ้างที่เนี้ยความ เนี่ยยินเดียวไปภายนอกในเรื่องลูกทำน้ำทำไปภายนอกกันแหละอ่ามันก็ส่งกิจไปตามเรื่องนะความยินดีห ล, ลังไหลไปเรื่องนั้นเพลิดเพลินไปในเรื่องนั้นแง่มันก็เรียกกังกั่นความต่างของจิจ น, นะอันนี้เรียก ну ว่าการมฉันทะในหน่วยฉันทะแปลว่าความพอใจมันพอใจในสิ่งใดมันก็ยินดีกับสิ่งนั้นอพอใจลูกพอใดในลูกพอใจในเวทนาของยินดีในเวทนาพอใจในสัญญาของยินดีในสัญญาพอใจในสังขารก็ยินดีสังขารพอใจในวิญ ญ, ญาณของยินดีในวิญญาณ รพอใจในอายจนาผัสสะก็ยินดีในอายนะผัสสะพอใจเรื่องอ cert, ก็ยินดีเรื่องอดีตพอใจเรื่องอนาคตก็ยินดีเรื่องอนาคตพอใจเรื่องธรรมอารมณ์ในปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันส่งนอกอส่งนอกปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพอใจในคนนั้นยินดีกับคนนั้นพอใจในคนนี้ยินดีกับคนนี้พอใจในเรื่องนั้น่งนี้ยินดีกับคนนั้ น, ใใ น, น, น, นคนนีนนน้ต่อไปอย่างนั้นเนี่ยมันสง่งไปภายนอกทันทีว่ากรรมขัท น, นทัพพันทกแปลว่าความพอใจ เมื่อพอใจสิ่งใดก็ยินดีสิ่งนั้นเมื่อยินดีตึงใจในสิ่งนั้นนะาบางอย่า ง, งสำหรับเป็นตะปูตึงใจมันตึงใจอย่างไรตึงใจใติดอยู่ในในักชิงนั้นะ่ะเมือ่อรักความยินดีไม่ได้จิตใจก็เลยไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะเนี่ยพอใจในรูปพอใจในนามาความยินดีมันก็ตึงใจอยู่ในรูปทำงานทำไม่สามารถจะตั้งจิตให้เป็นเอก ก, ะกะตาลมรู้ลมหายใจอออกอบอกอันเดียวเนียเน่ยเป็นหนึ่งได้นี่ทานทีว่ากามาฉันทะกามฉันทะ เนี่ยมาจิตใจมันเห็นมาโอ้ความยินดีนั่นเป็นของดีเออมันเคยยินดีรู้เคยห่าเริงเคยบันเทิงเคยสนุกสนานเคยเพลิดเพลินมาแล้วเนี่ยเออไปละจะได้ลาก็ได้เออยินดีนั่นแหละมันจึงม้วนทำมาด้ยินดีหล่าเริงบันเทิงมันแบบม้วนไม่สนุกเออถ้าไปเห็นอย่างนั้นเราก็เรียกว่าเห็นผิดนั่นน่ะเห็นไม่ตรงเห็นสิ่งที่ที่ไม่ดีเป็นของดีนั่นน่ะต้องการในจิตใจตั้งมั่นจะเป็นไปได้ไหมลองพิจารณาเจ็บปนุษย์ท่านว่าสมาธิเป็นของดี นี่ยนิวรณ์พี่ไม่ดีอ่นั่นะนะลองพิจารณาดูให้ทำควมเห็นให้มันตรงดูความยินดีเออคมตั้งมั่นจิตลู่เดียเป็นหนึ่งอ่าจิตหลงไปอย่างอื่นเกิดความยินดีอย่างอื่นน่มันเป็นเครื่องกังกัน นี่ต้องทำโมเพสตรงว่านิวรนไปเกินกั้นการทำกลมดีเราจะทำกลมดีคือทำสมาธิเนี่ยมีกำลังแจกกายแข็งแข็งเป็นไปไม่ได้แต่เพียงสมาธิอันเป็นโลกีก็ไปได้ยากแล้วที่นี่สมาธิอันเป็นโลกุตระนุกะทีติดมันก็ยิ่งไปยากกั้นไปเลยมันกั้นไปเลยไปไม่ไปไม่ถึงไปไม่ได้มันเกิดมันกั้นมันคกมันกวนมันขัดขวางเอาไว้นิวรนตัวนี้นี่ถ้าจิตวัดทำโกเพสตงเดี๋ยวว่านิวรเป็นสิ่งเด็ดควรละ เราจะต้องละได้ด้วยการทำสมาธิมีกำลังแก่กล้าแข็งแข็งต้องพยายามฝึกเนี่ยมันยังละไม่ได้กะ ต, ต้องต้องดูคุณทำอันเป็นเครื่องละอ่าที่เราละมันไม่ได้เพราะอะไรคุณทำเป็นตัเครื่องละของเราไม่มีกำลังพออ่าต้องตั้งสติกำหนดทำที่เป็นอารมณ์ของสมาธิแห่งยิ่งกำลังแก่ก้าแข็งแข็งมีวิตกวิจาร น, นึกถึงลมวิจารตองพิจารณาลมเห่งอยู่ในลมให้แก่ออกให้มีกำลังแก่กล้าแข็งแข็งจนกลัวเราจะรู้จิตของเรามันรู้แน่นิ่งเป็นหนึ่งในอารมณ์เดียวเป็นเปียกขาดตารมอยันต่ำที่สุดเนี่ยนิวด้ เมื่อจิตใจมันตั้งมั่นอย่างนั้นแหละทีแนวทางที่มันจะอุดหนุนให้เกิดปัญญานะ่ะมันก็จะสว่างสวัยต่อไปของจริงที่มีอยู่ก็จะปรากฏแจม่มแจม้งชัดเจนในหยดปัญญาที่ผุดขึ้นในฐานของสมาธินี่ถ้าไปเห็นว่านิวรณ์ไม่ดีแล้วที่นี่ย อ, อ, อยากการทําสมาธิไม่เก่าหนาไม่แก่กล้าเข็มแข็งไม่สามารถจะสําเร็จมรรคผลนิพพานได้เนี่ยท่านเจน้าอาญทำกุมให้ตรงถ้าเห็นว่านวรณไม่ดีเป็นสิ่งจะควรละแล้จะได้พยายามพยายามเลิกละมัน กามาฉันท์าความยินดีตัวหนาพยาบาทความยินไล่ทีนางความ่อดแฉอันแอตัวหนึ่งทั้งงงเงานอนเออเวลาจะภาวนางงเงานอนเออเอาสติตั้งสติเอาไว้สติตัวนี้เป็นเครื่องปลุกเออกาหนดอยู่นี้ลมทํามันวงเง้านอนมาเราเปลี่ยนสูบลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข่าสั้นออกสั้นเเปลี่ยนไปเป็นมาเข่าสั้นออกยาวเข่ายาวออกสั้นเนี่ยเป็นอุบายปลุกอุบายฝึกให้มันตื่น ใจมันว่องเมา้านอนครอบงำเวลาจะทําความดีเวลานอนมีเยอะแยะเออเวลานอนก็นอนให้เต็มที่เวลาจะทําความดีก่อห้มันทำได้จริงๆนี่อย่าให้อนิวรณนมันไปตัดรอนจะไปให้ใหพรมงวงเงข้านอนมันตัดรอนการทําสมาธาิสมาธิจะไม่มีกําลังแจกกายแข็งแข็งนี่อยจะไปเห็นว่าการหลับการ น, นอนเป็นของดีเออนี่ยให้เห็นว่าเป็นของไม่ดีมันไม่ดีเลยมันทำลายความดีนะทำลายสมาธิ แต่ว่าการหลับการ น, นอนเป็นของดีเลยจิตใจ น, อนไไ้อมในการหลับการ น, นอนยินดีในการหลับการ น, นอนเลยการทาสมาธิไม่มีกําลังแ ก, ก้ก้าวไม่มีกําลังแ ก, ก้ก้า จ, จิตใจก็จะพอไปพอใจในการหลับการ น, นอน